การผจญภัยของกกลิเวอร์เลเมลกลิเวอร์เกิดในนอต์ิงแฮมชายอังกฤษพ่อแม่มาจากครอบครัวฐานะธรรมดาพวกเขาดีใจมากที่ได้มีเขาพ่อแม่ของเขาอยากจะให้เขาเป็นสายลรแพทย์แต่ถึงอย่างนั้นกกลิเวอร์อยากจะเดินทางออกทะเลเสมอเฮ้ฉันอยากจะเดินทางข้ามทะเลค้นพบดินแดนที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อน เพราะเขาไม่มีความรู้ด้านการเดินทางเขาเลยฟังพ่อแม่และเป็นสัญญาแพทย์เขาเป็นหนึ่งในแพทย์ที่เก่งที่สุดในอังกฤษเขาแคร์คนไข้ของเขามากและรักษาคนไข้อย่างดีแต่หัวใจของกลิเวอร์ยังคิดถึงทะเลเสมอเขาสงสัยเสมอว่าเขาจะได้ออกทะเลสดใสหรือเปล่าหลายปีผ่านไป ตอนนี้กูรีวริวแต่งงานและมีลูกสองคนเขาเป็นพ่อที่ดีและสามีที่รักภรรยาแต่เขาอยากจะทำตามฝันเสมอที่รักมีอะไรเหรอดูไม่มีความสุขเลยผมได้รับเสนองานให้เป็นกับตันนุเรือผมอยากจะรับงานนั้นแต่ผมห่วงคุณกับลูกมากเลยคุณควรจะทำตามหัวใจเสมอนะ การออกทะเลทําคุณมีความสุขคุณจะต้องรับงานแต่สัญญากับฉันว่าคุณจะกลับมาหาเราอย่างปลอดภัยขอบคุณนะที่รักเขาบอกลาครอบครัวและออกเดินทางไปทะเลใต้เขารู้สึกเป็นชายที่มีความสุขที่สุดในโลกแต่เขาไม่รู้เลยว่าความท้าทายที่รออยู่มีอะไรบ้างคืนนี้ เกิดขึ้นน้ำคลั่งทะลักเดือดและคลื่นก็กระแทกข้างเรือตอนนั้นเรือพังและจมทันทีก็เลยว่าวายน้ำให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ตัวเองจมน้ำเมื่อเขาคิดว่าตัวเองจะตายแล้วคลื่นใหญ่ก็พัดเขาไปในน้ำแต่โชคดีที่เขายังไม่ตายเขาถูกพัดไปที่ชายฝั่ง เขาหลับลึกและเมื่อเขาเหลื่อมตาขึ้นมาเขารู้สึกถึงอะไรที่ข้างหลังแต่เขาเหนื่อยเกินกว่าที่จะตื่นเมื่อเวลาผ่านไปกุลีเวอร์ก็ตื่นขึ้นมา อ, อ๋ฉันเหนื่อยมากเลยอะไรเนี่ยทำไมฉันโดนมัดไว้กับทรายละ่ะโอ้ผมฉันเมื่อเขามองขึ้นไปเขาช็อก ที่ได้เห็นชายตัวเล็กเท่ากับนิ้วของเขาเดินมาที่หน้าเขาก็รลยว่าสับสนมากเราตายแล้วเหรอทำไมคนในสวรรค์ตัวเล็กจังละ่ะเจ้ายักษ์เจ้ามาทำอะไรที่เกาะลิลิปูเทียนเนี่ยฮะมาเพื่อที่จะมากินเราอย่างนั้นเหรออะไรนะไม่เจ้ามาเพื่อแย่งทิ้งเกาะเราเหรอเกาะอะไร เกาะรีบปวดเทียนเดี๋ยวนะฉันบอกไปแล้วนี่นะครูสงเจ้ามาอย่างนั้นเหรออะไรครูเหรอเจ้ายักษ์บอกมาเจ้ามีเจตนาอะไรผมชื่อแลมิวกาลิเวอร์ผมไม่ใช่ยักษ์แล้วผมก็เหนื่อยมากผมไม่รู้ว่าผมมาที่นี่ได้ยังไงเท่าที่จําได้ผมอยู่ในซาเกเรือที่ทะเลใต้แล้วก็จมน้ํา บอกได้ว่าเขาไม่ได้โกหกเราจะพาเจ้ายักษ์ตัวนี้ไปที่เมืองให้ราชอาตัดสินชะตาเขาม้าสามร้อยตัวถูกนำมาพร้อมกับรอกที่ชาวลิลิปูเทียนสร้างเอาไว้เพื่อลา ก, กุลีเวอร์กูลีเวอร์ถูกพาตัวไปที่เมืองและเขาไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองแน่นอนว่าเป็นเกาะลิลิปูเทียนจริงๆพวกเขามองเหมือนเราเป็นคนแปลก ถ้ามีคนแปลกสำหรับเราเราก็แปลกสำหรับคนอื่นอยู่ที่มุมมองท่านราชาชายคนนี้ไม่ได้จะมาทำอะไรเราที่จริงเขาบอกว่าเรือของเขาโดนคลื่นใหญ่ซัดทำลายแล้วก็โดนพัดมาหาเราเราเชื่อเขาได้เหรอเขาเป็นภัยสำหรับเราถ้าโบฟุสกุส่งเขามาละ่ะ อ, อท่านราัชาเขาไม่รู้จักเบลฟุสกูคืคอใครเขาเรียกเบลฟุสกุว่าเอคู่ว่ามาเจ้ า, าจคิดว่าเราเชื่อใจเขาได้ไห ม, มเขาดูสับสนและกลัวนะท่านแต่ว่าเขาเป็นแค่แล้วเราก็ควรให้โอกาสเขาที่จะพิสูจน์ตัวเอง ราชาเดินขึ้นไปบนโกลิเวอร์เขาระวังชายตัวใหญ่หน้าใหญ่คนนี้นี่คือราชาแน่ๆเราต้องดีกับเขาไว้ขอแสดงความเคารพจากอังกฤษครับท่านผมชื่อเลมิวกาลิเวอร์ผมเดินทางไกลไปหลายดินแดนมามากมายแต่ชัดเจนว่าเกาะของท่านราชาเป็นเกาะที่สวยที่สุดที่ผมเคยไปมา มันคือเกาะลิลิปูเทียนเราอาจจะตัวเล็กสำหรับเจ้านะเกาลิเวอร์แต่เราเป็นนักรบที่เก่งกล้าผมไม่สงสัยเรื่องนั้นเลยท่านราชานักรบที่ยิ่งใหญ่ก็ใจใหญ่เหมือนกัน ว่าเกาะที่มีคนใจดีแบบนี้จะให้โอกาสผมพิสูจน์ความซื่อสัตย์ให้กับคนที่รับผมเป็นแขกนะครับอืมชาวเมืองกําลังมองเราจะรียบตัดสินใจไม่ได้ <S <S เขาคือแขกของเราเราจะต้องให้เกียรติกับเขาแต่เพื่อความปลอดภัยของเกาะเราเราควรจะต้องจํากัดการเคลื่อนไหวของเขา จนกว่าเราจะรู้เรื่องเกาะแปลกที่บ้านเกิดของเขาก่อนประชาชนเชียร์การตัดสินใจของราชากอลีเวอร์ก็โล่งใจกอลีเวอร์ต้น อ, อยู่ในวัดร้างที่ไม่ห่างจากเมืองมันเป็นที่เดียวที่ใหญ่สำหรับเขามีลูกตุ้มล่ามขาเขาไว้ข้างหนึ่งเพื่อให้เขาเดินทางลำบากชาวลิลิปูเทียนดูแลแขก ค, คนนี้อย่างดีทุกวัน คนจะเดินเอาอาหารไปให้เขามากมายพวกเขาให้เสื้อผ้าใหม่โดยเย็บผ้าหลายผืนด้วยกันชาวลิลิปูเทียนจะมารวมตัวกันทุกวันเพื่อคุยกับแขกยักษ์คนนี้กอลีเวอร์จะเล่าเรื่องน่าสนใจให้พวกเขาฟังและทาพวกเขาหัวเราะ <c oughs> เขาจับคนขึ้นมาทีละคนและให้ดูวิวของเมืองครั้งหนึ่งมีงานที่จะเกิดขึ้นในเมือง ชาวลิลิปูเทียนจะต้องเดินบนเชือกที่อยู่บนที่สูงพวกเขาดูกลัวก็เลยว่าสับสนและถามรา ช, ชา ว, ว่าเกิดอะไรขึ้นเราชาวลิลิปูเทียนกล้าหาญมากสิ่งที่เจ้าเห็นนั้นเกาลิเวอร์ที่เกงกล้ามันคือการทดสอบความกล้าและความซื่อสัตย์คนที่จะผ่านการทดสอบนี้จะได้เป็นแม่ทัพ แต่ท่านราชามันดูอันตรายนะท่านเชื่อมันก็สูงมากถ้าพวกเขาหล่นลงมาล่ะพวกเขาอาจจะบาดเจ็บหนักหรือว่าตายได้เลยนะการพิสูจน์ความซื่อสัตว์มันสำคัญกว่าชีวิตของพวกเขาอย่างนั้นเหรอแต่เ อ, อ้คือชาหลิ ล, ลิปูทเทียนกล้าหาญแล้วก็ภูมิใจแล้วก็เออคือเราไม่มีทางอื่นที่จะพิสูจน์ความกล้าอีกแล้วก็เลยว่าหยุดคิดสักพัก แล้วถามแม่ทัพให้เอาเชือกมาให้เขาแม่ทัพยินดีที่จะช่วยเขาไม่ชอบกีฬานี้เหมือนกันหลังจากนั้นกลริเวอร์ฉีกเชือกเป็นชิ้นๆแล้วก็ทำแห่ขึ้นมาหลังจากนั้นเขาเอาแห่ไปรองที่เชือกเดินกายกรรมเอาละได้แล้วตอนนี้ชาวลิลิปูเทียนจะได้ร่วมกีฬานี้โดยไม่เสี่ยงชีวิตและอาณาักรก็จะได้แม่ทัพคนใหม่ด้วย ประชาชนส่งเสียงให้กุลิเวอร์ที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเป็นรางวัลราชาเลยถอดลูกตุ้มออกจากเท้าของเขาตอนนี้เขาเดินไปบนเกาะได้อย่างอิสระเขามีความสุขมากเมื่อเวลาผ่านไปเขาเอาชนะใจชาวลิลิปูเทียนราชาจะคุยเรื่องของในวังกับเขากุลิเวอร์รู้ถึงเกาะคู่แข่งเบอร์ฟุสกูทั้งสองเกาะทำสงครามกันมาหลายปีแล้ว กอลีเวอร์ได้ยินเรื่องทั้งหมดด้วยความสนใจวันหนึ่งกอลิเวอร์ถูกเรียกไปที่วังกอลีเวอร์เจ้าจะต้องช่วยเราเบฟุสกูกำลังโจมตีเราตอนนี้กอลีเวอร์รีไปที่ชายฝั่ ง, เ, งเขาเห็นกองทัพเรือกำลังเดินทางมาที่เกาะเรือนั้นเต็มไปด้วยอาวุธมันคือการบุกรุกเขาเดินไปที่เรือกับเชือก ศตรูตกใจมากที่ได้เห็นโกลิเวอร์นั่นอะไรนะทำไมตัวใหญ่ขนาดนั้นโจมตีโอ้อยพอได้แล้วมันไม่ได้ผลถอยถอยถอ ย, ถอยก่อนโกลิเวอร์เอาเชือกทั้งหมดผูกเรือแล้วลากมาด้วยหลังเหมือนกับลากสินค้าเขาลากเรือไปที่ชายฝั่งชาวบ้านก็เชียร์โกลิเวอร์อีกแล้ว เช่วยชีวิตหลายคนเก่งมากเลยมิวกาเลว่เจ้าจะหยุดทำํำไงละ่ะไปเอาเรือทั้งหมดของศัตรูมาที่นี่พวกเขาจะไม่ได้มาทําสงครามกับเราอีกในอนาคตขออภัยนะท่านราชาแต่มันไม่ยุติธรรมเบลฟุสกูอาจจะต้องการกองทัพปกป้องตัวเองจากศัตรูทางอื่นนะท่านผมเอาเรือที่ใช้ทําสงครามกับเรามาให้แล้วเรือลําอื่นๆที่อยู่ที่เกาะของพวกเขา ผมลากมาไม่ได้ราชารำคาญที่การิเวอร์ไม่ฟังคำสั่งของเขาไม่กี่วันผ่านไปแม่ทัพไปหากอริเวอร์การิเวอร์ฟังฉันนะสวัสดีรีเดสเซลนายกระซิบทำไมละ่ะจะมีคนรู้ไม่ได้ว่าฉันมาฉันเอาข้อความสำคัญมาให้ ได้ยินว่าราชาจะเอาเรื่องของเจ้าไปประชุมพวกเขานะไปพอใจกับเจ้ามากทำไมล่ะเพราะว่าเจ้าหนขัดคําสั่งของเขาโดยไม่ลากเรือทั้งหมดของเบลฟุสกุมาให้กับเขาฟังนะเ ก, กาลเวอว์เจ้าจะต้องไปจากกานี้ทันทีมันอาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับเจ้าแล้วแล้วข้าจะไปที่ไหนล่ะเบลฟูสกุมัง ได้ยินว่าแม่ทัพของหนึ่งในเรือที่โดน ล, ลากมาเขาบอกว่าเขาจะเขียนแนะนำให้กับราชาของที่นั่นให้รู้จักกับเจ้าเจ้าขอให้พวกเขาสร้างเรือให้เจ้ากลับไปได้นะพวกเขาเนะ่ะเป็นศัตรูกับเราต่เจ้าคือเพื่อนของฉันฉันห่วงเจ้ามากขอบคุณนะเพื่อนฉันจะต้องไปทันทีฉันจะจำนายไว้เสมอเลย ท่านจะจำนายเหมือนกันยักใจดีเกาลิเวอร์เกาลิเวอร์รีบออกไปเกาะเบลฟุสกูทันทีเขาเดินผ่านน่านน้าสูงเท่าเอวแล้วเดินทางไปที่เบลฟุสกูเขาเห็นราชาอยู่ที่ชายฝั่งพร้อมกับทั้งกองทัพพวกเขาต้องเห็นว่าเรามาสิไม่พวกเขาไม่โจมตีเราท่านราชาผมไม่ได้มาสู้ ผมเลมิวกาลิเวอร์ผมมาเพื่อขอให้ท่านช่วยเจ้าช่วยหรือของเรากับคนของเราไว้ข้าขอขอบคุณเจ้ามากกาลิเวอร์ข่าวเดื่องเจ้าแบบนั้นได้ใช่ไหมได้เลยครับท่านราชาเตรียมให้กาลิเวอร์อยู่ที่นี่ได้เลยวันถัดมากาลิเวอร์เยียดทิดชายฝั่งของเบลฟูรสกูอยู่ดีๆเขาก็เห็นอะไรล อ, อยที่น้า น, นั่นเรืออย่างนั้นเหรอเขารีบวิ่งไปหาราชาราชารีบสั่งแม่ทัพของเขาส่งเรือไปลากเรือกลับมาที่ชายฝั่งเขาสั่งให้คนของเขาสร้างเรือขึ้นมาใหม่และสัญญากับกอริเวอร์ว่าจะช่วยทุกอย่างกอริลเวอร์มีความสุขมากเขาจะได้กลับบ้านไปหาภรรยาอีกครั้งมันใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ถึงสร้างเรือเสร็จ เรือมันแข็งแรงและใหญ่พอสำหรับกอริเวอร์ด้วยคำสั่งของราชาชาวเบฟุฟสกูก็เอาอาหารและน้ำเติมลงไปในเรือให้พอสำหรับการเดินทางผมจะไม่ลืมบุญคุณของท่านเลยท่านราชาเจ้าคือชายหนุ่มที่มีพลังกอริเวอร์เราจะไม่ลืมเจ้าเช่นเดียวกันขอให้เดินทางให้สนุกนะเพื่อนกอริเวอร์บอกราชาเบฟุฟสกู เขามีเรื่องเล่าให้เด็กๆฟังมากมายเมื่อเขาถึงบ้านเขากอดภรรยาและลูกของเขาอย่างแน่นก็หรือว่าไปถึงนอตติงแฮมชายในวันที่24เมษายนปี1702